คนหรือเขาเมื่อตอนที่แล้วได้จบลงตรงนี้วันนี้พูดเรื่องขับรถคุมจิตสิ่งที่มีความสำคัญในการขับรถให้ปลอดภัยขึ้นคือความไม่ประมาท ถ, ถ้ามีความไม่ประมาสอย่างปัญหาที่เกี่ยวกับรถนั้นก็จะน้อยลงการดำเนินชีวิตที่จะให้ปลอดภัยจากความทุกข์กายทุกใจมีความเดือดร้อนน้อยที่สุดก็คือความไม่ประมาท จะมีส่วนสำคัญมากการขับรถในเมื่อไม่ชำนาญทางการเลือกทางว่าจะไปทางไหนดีทางไหนปลอดภัยทางไหนจะถึงที่หมายได้เร็วการศึกษาเส้นทางการถามการอ่านการคิดการนึกการวิเคราะห์ด้วยเหตุผลจะมีความสำคัญมากการดำเนินชีวิตที่จะให้ปลอดภัยจากความทุกข์กายทุกใจการเลือกทางดาเนินของจิตด้วยหลักธรรม ก็จัดว่ามีความสำคัญมากเช่นคนติดยาเสพติดคนติดสุราคนติดอบายมุกคนติดในการทำผิดศีลคนติดในความเพลิดเพลินในอกุศลกรรมที่เขาเลือกใช้ชีวิตแบบผิดนี้ก็เกิดจากการดำเนินจิตที่ผิดทางวิเคราะห์ด้วยความหลงแบบโลกโลกหนทางที่ปลอดภัยคือทานศีลภาวนาที่พระพุทธเจ้าแนะนา ชีแนวทางเอาไว้กลับไม่พา ก, กันดำเนินจงเลือกให้เหมาะสมเถิดประโยชน์มีแน่ดำเนินทางผิดย่อมนำมาซึ่งความทุกดาเนินทางถูกย่อมนามาซึ่งความสุขเมื่อรู้ว่าผิดทางก็ควรสแสวงหาทางที่ถูกโดยเร็วเมาไม่ขับการขับรถนั้นถ้าคนขับเมาสุราหรือสิ่งเสพติดเสแล้ว โอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุก็มีมากขึ้นแต่มีความเมาอีกอย่างหนึ่งที่ควรระวังคือเมาอารมณ์เพราะถ้าเป็นคนอารมณ์ร้อนหรือเป็นคนขี้หงุดหงิดง่ายก็จะทำให้เกิดทะเลาะวิวาทกับคนอื่นได้ง่ายการดำเนินชีวิตก็เหมือนกันถ้าพอบ้านแม่บ้านที่ชอบดื่มน้าเมาหรือสิ่งเสพติดโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุทั้งในบ้านนอกบ้านก็จะมีโอกาสมาก อุบัติเหตุในบ้านจะมีมากกว่าและถ้าพ่อบ้านหรือแม่บ้านคนที่เมาอารมณ์ได้ง่ายอุบัติเหตุทางอารมณ์ก็จะมีโอกาสเกิดขึ้นได้ง่ายยิ่งขึ้นทั้งในบ้านนอกบ้านหรือที่ทํางานกายมึนเมาเพราะติดสุรายาเสพติดจิตมืนเมาเพราะติดอารมณ์ที่ผิดคนขับรถควรตรวจเบรกให้ดีเพราะถ้าเบรกไม่ดีหรือการใช้เบรกไม่ถูกจังหวะ ที่เหมาะสมก็จะเป็นอันตรายต่อตอนเองและผู้อื่นการดําเนินชีวิตที่เหมาะสมเป็นไปเพื่อความสุขการดําเนินชีวิตโดยใช้เบรกให้เหมาะสมจะมีส่วนสําคัญมากเพราะการวิเคราะห์หาเหตุผลในหลักธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าว่าอะไรที่ไม่ควรทําหรือทําไปแล้วมีความทุกข์มาสู่ตนเองและผู้อื่นก็ควรจะเบรกไว้ก่อนคือเบรกทางกาย เบรกทางวาจาเบรกทางใจการที่คนชอบเบรกผู้อื่นด้วยทิฐิมานะนั้นมันจะมีโทษมากกว่าคุณแต่ถ้าเบรกด้วยเหตุผลโดยธรรมก็ควรจะเบรกแต่การเบรกที่มีประโยชน์มากก็คือการเบรกตนเองโดยหลักธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อทําได้ดังนี้แล้วก็จะนํามาซึ่งสันติสุขและความสงบเย็นแด่ตนเองแด่ครอบครัว แด่ชุมชนแด่ประเทศชาติรงมทั้งคนในโลกนี้เบรกกายก็คือการหยุดทำบาปทางกายเบรกวาจาก็คือการไม่พูดในสิ่งที่ไม่เหมาะสมเบรกใจก็คือไม่ควรนึกไม่ค ว, ควรคิดในสิ่งที่ทำให้ตนเองทุกข์ใจการขับรถให้ดีต้องรู้จักจังหวะว่าสถานการณ์แบบไหนควรใช้เกียร์อะไรเช่นตอนขึ้นเขา ตอนลงเขาควรใช้เกียร์อะไรหรือว่าตอนรถหยุดควรใช้เกียร์อะไรจะเป็นเกียร์เดินหน้าหรือเกียร์ถอยหลังก็จะต้องเลือกให้เหมาะสมการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องรู้จังหวะที่เหมาะสมบางครั้งก็ต้องมีการผ่อนสั้นผ่อนยาวอะไรยอมได้อะไรยอมไม่ได้อะไรควรดือ้ออะไรควรหยุดอะไรควรปล่อยต้องเลือกจังหวะให้เหมาะสม แต่ความเหมาะสมของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้เราจะหามาตรฐานของความเหมาะสมจากคนทั่วๆไปได้นั้นยากอยู่แต่ถ้าเราเชื่อปัญญาความรู้ความสามารถของพระพุทธเจ้าเราก็ควรเอาหลักศีลธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้เป็นมาตรฐานของความเหมาะสมเพื่อนำมาซึ่งความสุขและความเจริญแก่เราทั้งหลาย กรอบของโลกยังไม่ใช่มาตรฐานที่แท้จริงศีลธรรมจรึงจัดว่าเป็นมาตรฐานอันสูงสุดการใช้รถก็ต้องอาศัยเกียร์ว่างเวลาจะติดเครื่องรถหรือเวลาจะพักเครื่องยนต์ก็ต้องอาศัยเกียร์ว่างอีกเครื่องรถจะให้ติดอยู่ตลอดเวลาก็คงไม่สมควรก็ต้องมีการพักผ่อนกันบ้างการดําเนินชีวิตก็ต้องมีการพักผ่อนบ้าง การพักผ่อนนั้นมีหลายวิธีแต่ที่หมอเขาแนะนำว่าการพักผ่อนที่ดีก็คือการนอนหลับให้สนิทเป็นการพักผ่อนโดยธรรมชาติที่ดีของกายและจิตแต่การพักผ่อนที่ดีที่สุดในพุทธศาสนาก็มีคือการพักให้อยู่ในความสงบเรื่องของความสงบนั้นมีสามอย่างคือสงบทางกายสงบจิตสงบกิเลสสงบกายคือ การไม่คลุกกรีกับสิ่งต่างๆให้มากเกินไปจนทำให้เกิดความวุ่นวายแล้วก็ทำให้จิตสงบได้ยากสงบจิตคือการฝึกจิตให้ตั้งมั่นเพื่อให้วางความคิดปรุงแต่งตามกระแสโลกได้บ้างจนเกิดความชนานาญและเป็นสมาธิ ต, ตามลาดับสงบเคลยียรก็คือเมื่อจิตสงบเป็นสมาธิแล้วก็อาศัยความสงบเป็นพื้นฐาน และพิจารณาให้รู้ในหลักธรรมตามความเป็นจริงในกฎไต ร, รลักษณ์เพื่อละอัตตาตัวตนและถึงความสงบจากกิเลสอย่างแท้จริงการให้จิตพักอยู่ในความสงบและพักจิตโดยไม่ไปยึดถือในสิ่งต่างๆทําได้ทั้งหลับตาและไม่หลับตาถึงจะเป็นการยืนเดินนั่งนอนก็ทําได้ไม่เกี่ยวกับอิริยาบถใดเพราะเป็นเรื่องของจิตล้วน แต่ต้องอาศัยการฝึกอบรมจิตมาพอสมควรจึงทำได้ใจว่างเป็นบุญใจวุ่นเป็นบาป ใจว่างโดยไม่ยึดถือคือใจเหนือบุญเหนือบาสติมีส่วนสาคัญมากในการขับรถแต่สติในการขับรถนั้นโดยมากจะใช้สติทางโลกจะเป็นส่วนใหญ่แต่ถ้ามีสติทางธรรมควบคู่ไปด้วยอย่างเหมาะสมคนขับรถนั้นก็จะเป็นคนที่มีคุณธรรมประจำใจอยู่ด้วยถ้าคนขับรถทุกคนหรือคนส่วนใหญ่เป็นคนที่มีคุณธรรมควบคู่อยู่ด้วย ปัญหาต่างๆที่มีกันอยู่มากมายก็จะลดน้อยลงส่วนการดำเนินชีวิตเมื่อเราเป็นผู้มีสติดีชีวิตในครอบครัวและในหน้าที่การงานก็จะดีตามไปด้วยยิ่งถ้าได้อารมณ์ฝึกฝนในเรื่องของสติทางธรรมควบคู่ไปด้วยก็จะยิ่งดีมากขึ้นความสุขสงบเย็นในด้านจิตใจก็จะปรากฏแกเราเองทั้งความทุกข์ก็จะลดน้อยลง สติทางธรรมก็จัดว่าเป็นบุญเป็นกุศลที่พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญยิ่งนักรถซึ่งอุปกรณ์ส่วนใหญ่เป็นโลหะที่แข็งก็ยังเสียและผุพังได้คนเราเจ็บป่วยได้เป็นธรรมดาเมื่อเจ็บป่วยเราควรคิดพิจารณาอยู่เนืองๆว่าโรคภัยไข้เจ็บเป็นธรรมดาที่จะเกิดขึ้นแก่ทุกคน จะมากบ้างน้อยบ้างหรือจะช้าจะเร็วเท่านั้นเองเราต้องรู้ว่าความเจ็บป่วยนี้บางอย่างรักษาแล้วก็หายบางอย่างรักษาแล้วแต่ไม่หายบางอย่างไม่รักษาก็หายบางอย่างไม่รักษาก็ไม่หายความเจ็บป่วยทางกายเมื่อเป็นแล้วการรักษาให้เป็นหน้าที่ของหมอหรือว่าคนที่มารักษาและยาที่จะบำบัดโรคนั้น แต่การรักษาใจไม่ให้คิดวิตกกังวลมากจนเกินพอดีแล้วเกิดความทุกข์ใจสิ่งนี้เป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องนำยาคือทารร ม, มาพิจารณาเพื่อบำบัดโรคทางใจด้วยตนเองใครก็ช่วยเราไม่ได้ทุกกายแต่อย่าทุกใจความเจ็บป่วยบางอย่างเกิดจากบาปกรรมที่เราเคยสร้างเอาไว้เหมือนน้ำสกปรกการแค่ก็คือ เพิ่มน้ำสะอาดเข้าไปให้มากเท่าที่พอจะทำได้น้ำสะอาดก็คือบุญกุศลทานศีลภาวนาจงสะสมเถิดแล้ประโยชน์จะตามมาบุคคลพึงทำบุญควรทำบุญนั้นบ่อยๆควรทำความพอใจในบุญนั้นการสั่งสมบุญนำความสุขมาให้ ล้มตายรู้ตายล้มตายหมายถึงขณะที่จิตกำลังออกจากร่างนั้นจิตจะมีอกุศ ล, ลกรรมเป็นนิมิตหมายคือจิตจะพะวงถึงสิ่งต่างๆเช่นความห่วงความผูกพันความรักความหลงความยึดถือและความวิตกกังวลในสิ่งต่างๆนั้นก็จะทำให้จิตนั้นไม่สะอาดมีจิตที่ไม่สะอาดมากบ้างน้อยบ้างย่อมทำให้ไปเกิดในที่ไม่ดีและมีความทุกข์มาก ถ้าไม่ฝึกควบคุมจิตรักษาจิตให้ดีในขณะที่มีชีวิตอยู่การที่จะไปควบคุมรักษาจิตให้ดีตอนใกล้ตายนั้นมันทําได้ยากเพราะความทุกข์ทางกายมันมีอยู่ยิ่งพวกที่ชอบทําผิดศีลและสร้างบาปกรรมอยู่ประจําพวกนี้จิตยิ่งหมกมุ่นกับบาปกรรมนั้นเป็นอันมากจึงเรียกว่าหลงตายรู้ตายหมายถึง ขณะที่จิตกําลังออกจากร่างนั้นจิตจะรู้อยู่กับคุณความดีและธรรมที่ได้เคยกระทําเอาไว้จิตขณะนั้นจัดว่าเป็นจิตที่สะอาดถึงจะสะอาดมากบ้างน้อยบ้างก็ย่อมทำให้เกิดในที่ที่ดีมีความสุขผู้ที่จะทำได้นั้นส่วนใหญ่ต้องมีการฝึกฝนอบรมจิตมาบ้างหรือตอนมีชีวิตอยู่สนใจเรื่องบุญเรื่องกุศลอยู่พอสมควร ตอนใกล้าตายก็จะทำได้ไม่ยากนะักเพราะเคยชินในสิ่งดีๆมาสมผลเช่นคนที่สวดมนต์ไหว้พระเป็นประจำสวดมนต์ด้วยปัญญาคนที่ใส่บาตรพระอยู่เป็นประจำคนที่ตั้งใจรักษาศีลอยู่เป็นประจำคนที่ชำนาญในสมาธิและฌานผู้ที่มีธรรมเป็นที่อยู่อาศัยเรื่องร่า ง, งกายจะเจ็บป่วยอยู่แต่จิตที่เคยชินในบุญกุศลมาแล้ว ย่อมทำให้เจ็ดนั้นสามารถอยู่กับบุญกุศลนั้นได้ง่ายขึ้นจึงเรียกว่ารู้ตายหลงเป็นรู้เป็นลลงเป็นหมายถึงขณะที่มีชีวิตอยู่ การดำเนินชีวิตนั้นเป็นไปแบบตามกระแสโลกยังหมกมุ่นอยู่กับการทำมาหากินจนเกินพอดีทั้งยังยึดถือผูกพันอยู่กับสิ่งแวดล้อมต่างๆมากมายจนทำให้การสะสมคุณความดีหรือบุญกุศลได้ไม่มากเท่าที่ควรจะเป็นทั้งที่บางคนมีโอกาสแต่ก็ไม่ได้กระทำตามโอกาสนั้นจึงจัดว่าหลงเป็นรู้เป็นหมายถึง ขณะที่มีชีวิตอยู่การดําเนินชีวิตของเราต้องเป็นไปเพื่อการกระทําในสิ่งที่ดีที่ถูกต้องเพื่อเพิพ่มพลนบุญกุศลให้มากขึ้นไม่กระทําในสิ่งที่เป็นบาปและผิดศีลผิดธรรมหรือทําให้ใกล่ไกลําบากและการกระทําที่สูงสุดคือการพัฒนาจิตของตนเองให้สะอาดบริสุทธิ์ยิ่งยิ่งขึ้นไปเป็นการดําเนินชีวิตที่มุ่งสู่ทางบุญกุศลอย่างแท้จริง จัดว่ารู้เป็นคือรู้ถึงประโยชน์ที่ควรทำและได้ทำประโยชน์นั้นขณะที่มีชีวิตอยู่การแปลงพุโทโธภายนอกให้เป็นพุโทโธภายในพุโทโธภายนอกคือการฝึกฝนอบรมให้พบกับความสงบบางสำนักครูอาจารย์ท่านสอนให้บริกรรมพุโทโธก็เพื่อให้จิตมาจดจ่ออยู่ที่คำว่าพุโทโธเพราะธรรมชาติของจิตที่ยังไม่ได้รับการฝึกฝนอบรมที่ดีพอนั้น จิตจะนึกคิดสอสายไปในสิ่งต่างๆจะให้หยุดนิ่งสงบค่อนข้างยากจึงต้องมีการอบรมจิตให้อยู่กับคําว่าพุทโธเสียก่อนเมื่อปฏิบัติมาจนเกิดความชํานาญจิตจะแนบแน่นอยู่กับพุทโธดีขึ้นจิตจะออกไปรับรู้อารมณ์ภายนอกน้อยลงเราก็ปฏิบัติไปเรื่อยๆจนคำบริกรรมหายไปเหลือแต่ความสงบฝึกจิตอยู่กับความสงบให้ชํานาญ ไม่ว่าจะหลับตาหรือลืมตาก็ตามจะนานบ้างไม่นานบ้างก็ปฏิบัติไปจิตจะทรงตัวอยู่กับความสงบได้ความสงบแบบนี้ยังจัดว่าเป็นความสงบแบบสมถะกรรมฐานการแปลงจากพุทโธภายนอกให้เป็นพุทโธภายในคือเมื่อจิตทรงตัวอยู่กับความสงบได้แล้วก็ให้พิจารณาใกล้ครวนให้รู้ความเป็นจริงในขันห้า ว่ารูปไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอย่างไรเวทนาไม่เที่ยงเป็นทุกข right. ์เป็นอนัตตาอย่างไรสัญญาไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอย่างไรสังขารไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอย่างไรวิญญาณไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอย่างไรเป็นการเจริญปัญญาไม่ว่าจะหลับตาหรือลืมตาก็ทำได้บางครั้งก็พิจารณาบางครั้งก็อยู่ในพุทโธ บางครั้งก็รู้ลงเข้าลงออกบางครั้งก็อยู่กับความสงบได้เลยนี้เป็นการคลุกเคล้ากันระหว่างสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานถ้ามีอารมณ์หรือปัญญาอะไรเราพิจารณาให้ลงในหลักธรรมนี้เป็นการรู้ตามความเป็นจริงในขันห้าตามกฎไตรลักษณ์ปฏิบัติไปเรื่อยๆจะพบสภาวะธรรมที่เป็นที่พึ่งคือความดับเย็นในด้านจิตใจ ภายในพุทโธแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานผู้รู้คือรู้ตามความเป็นจริงในจิตของเรารู้ดีรู้ชั่วรู้ถูกรู้ผิดรู้บุญรู้บาปรู้ลดรู้ละรู้จักทุกข์รู้เท่าทันทุกข์รู้สิ่งที่เป็นสาระและไม่ใช่สาระรู้ถึงความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาผู้ตื่นคือตื่นจากความหลับไหลในความหลงผิดคิดผิดทําผิดคือผิดจากหลักศีลธรรม ตื่นเพราะรู้จักความเป็นจริงของกิเลสและไม่อยู่ใต้อำนาจกิเลสไม่ส่งเสริมพ้อปูนกิเลสตื่นจากอัตตาตัวตนผู้เบิกบานคือเมื่อตื่นจากความหลงผิดแล้วสภาวธรรมทิศพบทําให้เกิดความเบิกบานในธรรมไม่ว่าจะหลับตาลืมตาจะนั่งจะนอนจะเดินจะยืนอริยบทภายนอกกิริยาภายนอกก็ตามเหตุปัจจัยของความเหมาะสม แต่สภาวธรรมย่อมปรากฏชัดเจนในความเบิกบานแห่งธรรมบางคนท่องหรือบริกรรมพุโทโธมาเป็นเวลาหลายปีแต่เป็นเพียงพุโทโธภายนอกควรพัฒนาจากพุโทโธภายนอกให้เป็นพุโทโธภายในเพื่อเป็นการพัฒนาจิตทั้งสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานเมื่อพัฒนาสมบูรณ์ตามกาลังแห่งปัจจัยแล้วพุโทโธก็ย่อมเด่นชัดภายในใจของเราทั้งหลาย ใครประมาทดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราขอเตือนท่านทั้งหลายว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายจงมีความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมนี้เป็นวาจามีในครั้งสุดท้ายของพระตถาคตเจ้านี้เป็นคำสอนสุดท้ายก่อนที่พระพุทธเจ้าจะปรินิพพาน โดยท่านเตือนให้เราทั้งหลายรู้ว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเราทั้งหลายควรใช้ชีวิตแบบไม่ประมาทเถิดการใช้ชีวิตแบบประมาทคือผู้ที่ไม่รีบสะสมบุญกุศลให้พอเพียงเพื่อความไม่เดือดร้อนในภายหน้าเพราะใครจะรู้ว่าอีกกี่วันเดือนปีเราจะตายถ้าไม่รีบสะสมสเบียงที่ควรสะสม เมื่อถึงตอนตายมันก็จะสายไปเสียแล้วเพราะความประมาทดังนี้คือบางคนประมาทโดยคิดว่าตอนนี้เรายังอายุไม่มากยังไม่ต้องเร่งทําบุญกุศลหรือปฏิบัติธรรมรอให้อายุมากกว่านี้อีกหรือแก่อีกหน่อยจึงจะทําก็ได้แต่มีหลายคนที่คิดแบบนี้แล้วก็ต้องตายไปเสียก่อนบางคนประมาทโดยคิดว่าบุญกุศลคงไม่มีจริง ชาติหน้าก็คงไม่มีจริงก็เลยไม่สนใจที่จะรักษาศีลทั้งเรื่องบุญกุศลก็ไม่อยากจะทําอย่างจริงจังใช้ชีวิตอยู่ไปด้วยความเพลิดเพลินสนุกสนานแบบโลกโลกแล้วก็ตายไปแต่ถ้าบุญบาปมีจริงนะรกสวรรค์มีจริงเขาก็ต้องไปรับผลของกรรมที่เขาทาเอาไว้เมื่อถึงตอนนั้นมันก็สายเสียแล้ว